أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم جت ر ب ه ف ت س ج ع ل ي ه و ر د ا ثم جت ربهم. ق บิดาของพวกเขาบางทุกคุณลีบางทินอาจู فإِمَّا ي َ أ ْ ت ِ ي ن َّ كُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنِتَ ب َ ع ْ ه ُ ه ُ د َ ى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْأَعْرَضَ عَن ذِكْرِهِ فَإِنَّهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ วัِอَปสรَห์ยามลุยามติอัมร์ข้าว่ารับบิَมาพَชร์ตันอัมร์ข้าว่าَับบิลมาพัชร์ตันอ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ ك َ ذ َา ل ِ ك َาَัศกาลอยาตุน ن ฟานสิตาห์และَ่าก็َลَวَ็ล่วมตุนซาอัลกุมะดีَัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอ ل ฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮَอัลลอฮฺอัลลอ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 รับบีอาอูบุบิค์มิ่งอาดับิมฟินนาร์ว่าด well ับิมฟิบรสลอลัยุมระห์มตุลลอฮิวะบรักะตุที่น้องที่ร่วมนมายามาเวลาในเวลาซุบในเวลาสุบหหรือในเวลาฟ ajar ที่รักทั้งหลายกาบาัฮมดุลิลลขอบคุณอัลลอฮ์ุบฮานูวะตาลที่อัลลอฮ์ให้เรานอนหลับไปเมื่อคืนนี้ แล้วอัลลอ์ก็ให้เราตื่นขึ้นมาในขณะที่คนบางคนแล้วหลับแล้วหลับเลยไม่ฟื้นไปฟื้นอีกทีหนึ่งก็วันเตียมาขอบคุณอัลลอ์สุภานหู ว, วตาลาที่อัลลอ์ให้เรามีโอกาสนะครับโอกาสนี่สำคัญมากตอนมีเวลาว่างๆนี่คืเอัลฟารอมีเวลาว่างนี่ทำอะไรครับมาอ่านภุรานนะครับจับ Al an, อัลกุรานอ่าน สายตาที่จ้องสายตาที่จ้องจ้องจ้องไปที่คัมภีร์คุรานเนี่ยนะมันมีอยู่ประมาณสี่ห้ารายการที่ทําให้สายตานี่ดีเช่นจ้องไปที่อลัลกุรานจ้องที่กุรานเนี่ยนะทําให้สายตาดีสองจ้องไปที่ใบตุลล้อมองใบตุลล้อเนี่ยสายตาดีสามจ้องไปที่ ต้นไม้เขียวๆที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยแล้วก็จ้องไปที่ชันมองชันฟ้าโอ้และทำอยูลลสีเขียวทั้งหมดแล้วก็จ้องไปที่น้ำทะเลห้าหกรายการนี้ทาให้สายตาดีาท่านขณะนี้ควรจะจ้องคุรานยังไม่ใช่หลับหลับก็ไม่ได้จ้องเพะนั่นจ้องก็ต้องเปิดตาท่านนาบีสอนนะหลังนะมาซุโบเสร็จแล้วเนี่ยห้ามนอน นะครับหลังนมาซุบจนกว่าตะวันจะขึ้นเนี่ยห้ามไม่ให้มุมินผู้ศรัทธาต่อรอนอนปล่อยให้คนกาเฟ่เขนอนไปเถอะให้คนไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอ า, าศาสนาไม่เอาอิสลามไม่เอาสุนนะนบีให้เขานอนไปเราอย่านอนนะครับพราะการนอนในเวลารุ่งอรุณเนี่ยหลังนมาศุบจนกว่าตะวันจะขึ้นนั่นคนที่นอนย่ำเงาริสุก พวกเขาปฏิเสธไม่อยากจะรับริสกีของอัลลอฮ์เขาว่าริสกีนี่อย่าไปตีความเป็นเม็ดเงินอย่างเดียวนะนี่นะความรู้ที่ผ่านคุรานี่เป็นริสกีมหาศาลเลยนะครับความเข้าใจอิสลามนะครับเข้าใจสักหนึ่งอายะหรือว่าหนึ่งวรรคจากอัลกุรอานนี่นะครับอัลลอ์เป็นริสกีที่มหาศาลยิ่งใหญ่ คนที่หลงวัตถุเนี่ยเขามองเม็ดเงินเป็นริสุกีที่ยิ่งใหญ่แต่ผู้ศรัทธาต่อล้อนนั้นมองการเข้าใจอลัลกรุรอานนั้นเป็นริสุกีที่ยิ่งใหญ่แล้วคนที่มีอีมานเพิ่มขึ้นตลอดเวลาหัวใจที่มีอีมานต่อร้อนเนี่ยเขาจะให้เกียรติคนเขาจะไม่ดูแคลนคนเขาจะเรสเพคให้เกียรติพี่น้องมุสลิมทุกคนแต่คนที่มีวัตถุเยอะๆเนี่ยใครที่จนกว่าเขาจะดูถูกแล้ว แต่พี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธาต่อรอดนีน่นคัมภีร์คุณอ่านสอนให้ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเห็นคนกาฟเฟ ต, ตตายนียสสน่สงสารสงสารนบีมุฮัมมัดเนี่นะหลานนาบีเสียไม่สบายลูกสาวท่านนาบีชื่อใจนับลูกลูกลูกชายตัวเองเนี่ยไม่สบายส่งคนไปตามนาบีไปตามแช่นี่แหละบอกแช่ามาดูหลาหน่อย นบีบอกว่ากลับไปบอกไซนับด้วยอิสบีรีให้อดทนนะครับลูกเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาถ้าอัลลอฮ์ะจะเอากลับก็เป็นของอัลลอฮ์พูดแค่นี้เองนบีไม่ได้ไปแต่ไปทีหลังในช่วงเวลาเดียวกันนั่นแหละมีเด็กยาฮูดีคนหนึ่งไม่สบายพอมาบอกนบีนบีรีบไปเลยแต่หลานตัวเองนบีบอ ก, บอก ให้ไรานาบนางไรานาบเนี่ยซาบัดอดทนนะเดี๋ยมันของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์จะเอากลับก็เป็นสิทธิของอัลลอฮ์พออัลละให้อัลลอฮ์ให้มาก็เป็นของอัลลอฮ์จะเอากลับไปเป็นของอัลลอฮ์แต่เด็กยิฮูดีไม่สบายมาตามนาบีนบีรีบไปเลยเสร็จแล้วนบีก็ไปนั่งที่หัวนอนของเด็กคนนี้พอไปถึงก็คุยรุ่นคุนี่ก็อธิบายบอกว่ารับอิสลามสิแล้วคุณจะปลอดภยัยจากไฟนรก ลูกชายคนนี้ก็มองหน้าพ่อพ่อบอกว่าอัตยาอาบัลกอเซมลูกเอ้เชื่อนบีมุ hammad เถอะพ่อนบีเนี่ยมีลูกชาชื่อกอเซมจงปฏิบัติตามเชื่อฟังพ่อของกอเซมให้เชื่อนบีมุ hammad เด็กคนนี้ก็รับอิสลามละอิลละอิลลอละมุ h a ม m a ดุลรอสูลลลอห์นบีก็เดินกลับบ้านนบีว่าเขาปลอดภัยจากไปนรกแล้วนบีเป็นห่วงคนกาเฟ เป็นห่วงคนที่อยู่นอกลู่นอกทางเป็นห่วงอยากให้เขากลับมานี่ความรู้สึกของท่านอบเาเราเอาความรู้สึกเหล่านี้มาไว้ในใจเราบ้างอย่าเห็นใครผิดแล้วด่าท่งแล้วไม่ใช่เขาเชิญ็มาเอาแก้ไขปรับปรุงซะเสียนะนี่ผิดนะแก้ไขปรับปรุงไม่ใช่มาตินทากันใส่ร้ายกันว่ากันโอ้พวกเราเป็นอย่างนี้ ก็ขอดัวต่อล้อให้มีการเปลี่ยนแปลงเอาอัคลักของท่านนาบีเนี่ยมาเก็บไวไไ้ในอะไรนะในหัวใจเยอะๆนะครับขอบคุณอัลลอ์นะวันนี้เรามาอ่านกุอ่านสูรบอฮาอายะที่หนึ่งร้อยยี่สิบสองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราอ่านพบบอกว่านาบีอาดัมกับนางฮาวะหลังจากไปทาน ในทัฟซิดอธิบายไม่ใช่ผ ล, ลไม้ผ ล, ลไม้นี่เป็นความคิดของพวกนี้พวกคริสเตียนนะครับแต่ในทัฟซิดอธิบายพูดว่าไม่ใช่ผ ล, ลไ ม, มเล้เป็มเมล็ดอ่าเป็นเมล็ดชนิดหนึ่งอยู่บนต้นไม้ก็เอามาทานพอทานภาพนี้นะสิ่งพึงอายของเขาทั้งสองนั่นถูกเปิดฟาบดัสลาหูมาเซอาตูหูมา ว่าพอฟิกยากซิฟพนีอะไรหิมะมิวว่ารอคิลจันนะว่ารอแปลว่าใบไม้ใบไม้ในสวนสวรรค์เขาเริ่มเอามาเอามาปิดปิดปิดปิดร่างตัวเองตอนอยู่ในสวรรค์นี่นะตอนยังไม่ทานเมล็ดพืชในสวนสวรรค์ในร่างกายของเขามีอภรปกปิดร่างกายมิจชิดแต่พอไปกินเมล็ดนะครับบนในสวนสวรรค์บนต้นไม้ อภรเริ่มแล้นะเริ่มหลุดออกมาเลยเผยออกมาแล้วอายว่าซอาดามูรอบะฮูฟาววและอาดามได้ฝ่าฝืนคําสั่งของพอระผู้อภิบาลของเขาดังนั้นเขาจึงมีความผิดประโยคนี้เนะี่ยนะครับเขาอุลมามะหลายท่านกาธิบายอย่างนี้อย่าไปพูดว่านบีอาดามทำผิดห้ามไม่ให้พูด ถ้าจะอ่านก็อ่านอาย่านี้ก็พูดแค่นี้แหละนบีอาดัมฝ่าฝืนคำสั่งพระผู้อาภิบาลของเขาดังนั้นเขาจึงมีความผิดพูดเฉพาะอาย่านี้พออย่าไปพูดทั่วๆไปบอกว่ า, วานาบีอาดัมทำผิดอา่าอย่าไปพูดแบบนี้พอเป็นการให้เกียรติกันใช่ไหมเป็นการให้เกียรติกับนบีอาดัมนบีอาดัมไม่ใช่คนธรรมดาน่ะเป็นคนที่อัลลอฮ์ยิงอิชตาบาฮูอายาต่อไปที่จะอ่านวันนี้นะ่ะอัลลอฮ์ได้ทรงเลือกเขา ที่อัลลอฮ์เลือกเขานี่เพราะว่าหลังจากนาบีได้เตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์แล้วหลังจากได้กลับเนื้อกลับตัวแล้วเสียใจแล้วใช่ไหมอัลลอฮ์ก็เลยหลังจากออกมาจากสวนสวรรค์แล้วมาอยู่บนพื้นดินนะครับนี่อัลลอฮ์เล่าเรื่องของนบีอาดัมให้พวกเราฟังนะครับทีนี้เหมือนกับนบีนบีอะไนะั้นนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเหมือนกัน ทุกคนก็มีมีมีอะไรนะมีมีเรื่องกันทั้งนั้นแหละนะครับพี่พี่ของนบียูซุฟนะจับนบียูซุฟโยนใส่อะไรนะโคนใส่บ่อน้ํานั่นนะ่ะเป็นเหตุการณ์ที่ที่หนักที่สุดนะ่ะกาจะให้ตายนะงานนั้นนะ่ะเสร็จแล้วอลัลลอฮ์ไม่ให้ตายหลังจากนาบียูซุฟเนี่ยผ่านวิกฤตผ่านผ่านผ่านผ่า น, า น, า น, านมาหมดแล้ว มาได้รับตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศอียิปต์มีคนมาถามท่านมาคุยท่านว่าท่านเป็นยังไงขอบครัวท่านเป็นยังไงไม่เคยพูดตําหนิพี่ชาตัวเองเลยสักคำหนึ่งพูดว่างไงนะก็จะอัลลฮ์รอบบีอัลลอฮ์เนี่ยได้เมตตาฉันว่าก็อัลลอฮ์ทงสารฉันทําความดีกับฉันเยอะมาก อ, อิศอัครยานีมออินัสออออซินีให้ฉันออกจากคุกอีตอนเข้าไม่พูดพูดตอนออกนี่เลือกภาษาใช่ไหมเลือกอะไรควรจะพูดอะไรไม่ควรพูดนี่เอาอัคราของนบียูซุฟไปใช้พวกเราวันนี้เนี่ยนะเอาชีวิตของนบียูซุฟไปใช้ตอนเข้าคุกไม่พูดแต่พูดตอนออกจากคุกว่าอัลลอฮฺเมตตาฉันให้ฉันออกจากคุกแล้วก็ อันนั่นจัยตอนวัยนี้วัยน่าอิขวติใช่ไหมใชยตอนเนี่ยทำได้ยุยงให้เกิดการแตกแยกระหว่างฉันกับพี่น้องของฉันนี่เป็นภาษาที่อัลลอฮ์พึงพอใจแล้วเอามาเล่าวรรณกรมพีกุณอ่านนาบียูซุฟไม่ได้ตำหนิคนนี้คนนี้คนนี้คนนี้ทำไมไม่ตำหนิอะ่ะเพราะงานหนักถึงขนาดนี้แต่ไม่ตาหนิโทษใครนะ ชายตอนเห็นเองครับเนี่ยอา่านคุรานต้องได้ข้อคิดจากตรงนี้ไม่ตำหนิใครเลยใช่ไหมไม่ตำหนิพี่ชายคนนี้คนนี้ไม่พูดพูดว่าไงนะชายตอนทําให้ฉันกับพี่ชายฉันเกิดมีการอะไร น, นะมีการยุยงให้เกิดการแตกแยกระหว่างฉันกับพี่ชายของฉันเห็นไหมนี่ยความรู้ตรงนี้พี่น้องเอาไปใช้เดี๋ผมอำมาช่าตลอดเวลา ผมไม่เคยตำหนิคนชี้หน้าผมไม่มีครับ ท, ท, ทั้งๆที่บางทีก็ถูกฟิตหนา้าแรงๆโสดบัตโอนโทษอลัลลอฮ์แค่แค่ขายให้หมดนะอิชชาอัลลอฮ์นะครับเอาวันนี้มาเจอกุราอานอายะที่หนึี่สิบซุมมัจตตบะฮุรับบุห์ฟตาบาอัลเลหิวะฮดา i ุ t ม b a h u บรบบบอบนี่แปลว่าอัลลอฮ์ทรงเลือกเขาอ่าอิจัตบอัลล์ทรงเลือกเขาอัลลอฮ์เลือกนี่หลังจากอะไรนะ น, บ, บ, บ, น บ, บีอบรอนบีอาดัมถูกเชิญ ล, ลงมาจากสวนสวรรค์มาอยู่บนพื้นดินนี่แล้ว ก็เลือกเลือกเนี่ยหลังจากอะไรหลังจากเต่าบ้าตัวต่ออัลลอ์หลังจากอัลลอ์ชี้ทางนำให้อะไรให้นี่นะผมพบฮะดีสอยู่วักหนึ่งอา่านแล้วอัลลอฮ์อักบาดีมากเขาบอกว่าอย่างนี้ฮาสานาตุลอับรอรความดีของคนดีที่เขาทำความดีของคนดีที่ทำเ ข, ข้าใจนะ อย่างพวกเราเราเนี่เป็นคนดีแล้วมุสลิมในกรทมเนี่เป็นคนดีทั้งหมดพี่น้องความดีที่คนดีทํานั้นเมื่อเทียบกับคนที่อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์คนที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากกว่าเรามีไหมมีไหมมีครับเราไม่รู้ว่าใครอ่ะคนที่อยู่กลกับใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เยอะที่สุดคนที่นมาดมากกว่าเรามีไหมมีครับ คนที่อ่านคุรานมากกเรเดามีไหมมีครับบรรดาอาบีทั้งหมดนั่นแหละฉะนั้นความดีที่มนุษย์ทำเมื่อเทียบกับคนที่อยู่ใกล้ชิดกับอลัลลอฮ์นั้นเขามองความดีที่ทํานั้นเนี่ยยังไม่เรื่องดีเท่าไหร่หรอกไม่เรื่องง่ายนะ <c oughs> เขามองเป็นเรื่องไม่ดีนะมองว่าไงนะไซยาตุลมุกรอบินไซยาตุลมุกรอบีนเป็นความคนที่อยู่ใกล้ชิดกับอลัลลอฮ์เยอะๆนี่นะ เขามองความดีที่เราทำนั่นใส่าจเป็นมองเรื่องยังไม่ดีเท่าที่ควรเห็นอย่างแสดงว่ายาวนะี่อย่าอย่าไปดูถูกคนนะบางทีไอ้คนที่เราดูถูกด่าเขาอยู่นี่นะเป็นคนที่มุก ร, รอบใกล้คิดกับอลัลลอ์มากกว่าเราก็ได้ฉันอย่าไปตำนีเรามีหน้าที่อย่างเดียวอะไรนะขอดูอาต้ อ, อลัลลอฮ์ให้อลัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงนะครับ สมมาจตาบาหูรอ บ, บูหูหลังจากนั้นพระผู้อาภิบาลของเขาได้ทรงเลือกเลือกนบีอาดัมนะหลังจากที่ได้เตาบาตัวสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์เช่นยังครับทาความผิดแล้วต้องทาอะไรนะต้องเตาบาตัวอย่าเป็นคนที่ทำผิดแล้วดันทุรังอ่าอย่าดันทุรังเพราะเรามีหลักการเรามีเรามีอะไรนะ เรามีกุรานเรามีสุนนะนบีเรามีบุคคลตัวอย่างคือเป็นซอบ้านนบีเยอะไปหมดเขาทำผิดแล้วเขาสารภาพผิดแล้วก็เตาบ้าตัวต่ออ AH. ัลลอ์รบบาหูพาผูกอภิบาลของเขาฟาตาบะเลายดังนั้นพระองค์ได้ทรงหันเขาโดยปราณีอัลลอฮ์ทรงอภัยโทษให้เขาเห็นไหม ถ้ากลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีเปลี่ยนแปลงตัวเองอัลลอฮ์นี่เราเลยนักเรียนจะดีมากเลยนะมีคนคุมมีคนดูแลดีใช้ไหมดีดีอัลฮัมดูแลมีคนปลุกมีคนเตือนในอ่านคุณอ่านมีคนเตือนในทํานู่นทํานี้นี่แหละเป็นความประเสริฐนั้นยิ่งใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นฟาตาบะัยเมื่อสํานึกผิดแล้วอัลลอฮ์ก็จะรับการสารภาพผิดของนบีอาดัมวาฮาดะและ เมื่อสารภาพผิดแล้วอลัลลอฮ์ก็จะชี้นาทางที่หัวใจของเขาให้คิดแบบนี้สิให้ทําอย่างนี้สิอลัลลอฮ์จะชี้นำเลยนะเนี่ยขวาพูดนี้เป็นกุรานนะอลัลลอฮ์ชี้ว่าคนถ้าผิดแล้วเน่อย่าผิดเลยผิดแล้วต้องอะไรนะสารภาพผิดฮะดิสมีอธิบายอย่างนี้คนผิดที่ดีอ้ายังมีคนผิดที่ดีอีกนะอเราเนี่มองคนคนผิดเราเรื่องชั่วหมดใช่ไหมแต่คิดใหม่ คนผิดที่ดีก็คือคนผิดที่สารภาพผิดต่อบาตตัวต่ออะห์เสียใจในความผิดที่ทํามาพอสารภาพผิดแล้วนี่นะวิธีสารภาพผิดเป็นอย่างงี้หนึ่งเสียใจสองเลิกถอนตัวออกจากความผิดนั่นอย่างเด็ดขาดอันที่สามไม่หันกลับไปทําความผิดเหมือนเดิมการกลับตัวทำอย่างงี้ไปอาบแปลงฟันก่อนไปอาบน้ำนํำนมาส อาบน้ำ น, น้ำมาสเสร็จนะแต่เป็นมุสลิมมากก่า น, น้ำมาดกันที่บ้านนี่แหละถ้าเป็นผู้ชายมาที่มัสยิดในช่วงสิบโมงสิบเอ็ดโมงคนว่างที่มัสยิดนี่นะมาน้ำมาสักสี่ราอาัตสุญูดนานๆแล้วเตาบ้าตัวต่วตวออัลลอฮฺอัสตัฟิรุลลอฮฺฉันขอสารภาพาผิดในความผิดที่ฉันทํามานะครับแล้วก็เลือกคบคนดีๆเป็นเพื่อนนะครับเลือกคบคนดีๆเป็นเพื่อนเพราะไว้เพื่อนเราน่ยคนอร่อยๆทั้งนั้นแหละ พอออกไปข้างนอกเราเจอพวกเป็นแถวเลยพอที่ไม่เอาแล้วไปทางนี้ดีวกว่าไาเจอคนดีๆไอ้คนดีๆมันก็จะดึงเราจะพาเราไปทำของที่เป็นความดีอัลฮัมดุลิละ น, นี่อัลละมะแนะนำนบีอธิบายให้เราฟังอาทีนี้คุณอ่านอญญาย่นี้นะครับมีตัฟซิดอธิบายดีนบีมูซากับนบีอาดัมเขาอนะไนั้นฮาจะหมายถึงโต้กัน ไม่ใช่แดงๆหน้าดาหน้าแดงไม่ใช่ก็คุยกันนี่นะคุยอย่างงี้นบีอาดามพูดบอกว่ามูซาอันตัลลาีอัครรชตันนัสมินันจันเอ่อนบีนบีมูซาพูดกับอาดามบอกว่าอันตัลลาีอัครรชตันนัสมินันจันนะบีดัมบีกับบีมูซาพูดก่าอาดามท่านเนี่ยเป็นคนทําให้มนุษย์เนี่ยออกจากสวนสวรรค์เพราะท่านเนี่ยทําบาป เขาคุยกันนะนบี ม, มุ h ม m m a เล่าให้เราฟังอ่นานบี ม, มุ h ม m m a เล่าว่านบีอาดัมกับนบีมูซาคุยกันนบีมูซาพูดว่าอาดัมท่านนีนะพ่อท่านเนี่ยทำผิดทำให้มนุษย์ต้องมาอยู่ข้างนอกสวนสวนสวรรค์แล้วก็มาหาพบกับความลำบากเหนื่อยมาหาที่อยู่อาศัยเหนื่อยไหมเหนื่อยหาอาหารเหนื่อยไหมเหนื่อยหาเครื่องดื่มเหนื่อยหมเหนื่อย แล้มาหาเสื้อผ้าอภรรสายเหนื่อยไหมเหนื่อยสี่รายการนี่เหนื่อยหมดเลยแต่ถ้าอยู่ในสวนสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์รับประการสรายการนี้ไม่เหนื่อยไม่ต้องหาอาหารไม่ต้องหาน้ําไม่ต้องหาที่นอนไม่ต้องหาที่พักพิงอัลลอฮ์จัดให้หมดเลยในสวนสวรรค์ในเมื่อท่านมาอยู่ข้างนอกท่านต้องเหนื่อยสรายการอันนี้สอนสอนผู้ชายรับผิดชอบภรรยาผู้หญิงนี่นะรับผิดชอบสี่รายการนี้ก่อนไอ้ส่วนรถไอ้เพชร นีอ่ อ, อีกเรื่องหนึ่งอันนั้นจะซื้อให้พ่อสมัครใจก็มีเงินมีเงินมีเงนิง น, มงนมีทองเยอะก็ซื้อให้แต่สิ่งจําเป็นสำหรับผู้ชายที่นบีอาดัมต้องรับผิดชอบก็คือหนึ่งที่อยู่อาศัยสองเสื้อผ้าสาอาอะไรนะเครื่องดื่มห้าอะไรนะอาหารสี่รายการนี่จำเป็นเรียกว่ายิบเลยจะต้องรับผิดชอบภรรยาฉะนั้นคนที่เป็นภรรยาผู้ศรัทธาต่อลรอง น, นี่นะดูแลบ้านอย่างเดียวไม่ต้องออกข้างนอก แต่วันนี้เราอัาคลากของยาฮูดีมาใช่ไงเอาอัาคลากของยาฮูดีมาใช้ให้ภรรยาทำงานเหนื่อยพอๆกับสามีแต่ผู้หญิงขาดทุนนะบ้านก็สกรปรกใช่ไหมพราะไม่มีเวลาทำงานบ้านน่ะดูแลลูกก็ไม่มีให้ลาวมาเลี้ยงอลัลลอ์คิดด้วยดีนะเอาคนที่ไม่รู้จัก อ, อัลลอฮ์รอซูลบิสมิลลาห์นี่อามาเลี้ยงลูกหรืออะไรพอกินข้าวก็ อ, อปากอปาก ถ้าอามุสลิมะที่เข้าใจศาสนามาเลี้ยงลูกดีไหมอ้าวลูกลูกอ้าปากบิสมิลลาห์พระกิมอิมแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์เราไม่นึกนะเรามาย่นึกตรงนี้เราเดินตามยหฮดีตะวันตกตะวันตกตะวันตกตนต ก, ก็ได้ตะวันตกมาไม่ได้ความรู้ที่มากับชัน้ากอดอาดัมอาดัมพูดโดยยามมซาอันตะละดีอิสตาฟากอัลลอฮบิซาลัติฮิวบิกาลามิฮิ อาดามพูดกับมูซาท่านนี้นะอัลลอฮ์เลือกท่านนะอัลลอฮ์ส่งคัำพิ้นตะรออกมานะและอัลลอฮ์ก็ตัดด้วยคำด้วยตัดด้วยภาษาของอัลลอฮ์เองไม่มีสื่ออัลลอฮ์พูดกันบีมูซาตรงๆต่างคนต่างมีเกียรติดูกันตัง้งกู่แล้วก็อัตัลูมินีอาลาอัมรินกาตะบัลลอฮฺมาไลยะกบลาอายะฮ์ลูกคนนี้ น บ, บีมุซน บ, บีอาดัมถามว่าคุณเนี่ยเป็นน บ, บีในคัมภีร์เตารอเนี่ยคุณเคยอ่านภพไหมว่าฉันเนี่ยจะต้องออกจากสวนสวนรรค์เพราะทําผิดเคยอ่านพบไหมภพอา้าวในเมื่อพบข้อผิดพลาดของฉันอยู่ในคัมภีร์เตารอและตําหนิฉันทําไมใช่ไหมเข้าใจไหมในเมื่อคุณเป็นน บ, บีอลัลลอฮ์ให้คัมภีร์เตารออกมา คุณอ่านหนังกรพืร่อตรอเจอประวัติของฉันไหมบอกว่าเจออ้าแล้วคุณมตาตำหนิฉันทําไมว่าฉันทําผิดทําผิดทําผิดทาำผิดนบีมูซา อ, อัสตางคุณจะจงของอภัยโทษต่ออัลลอฮ์แล้วก็นบีอาดามถามว่าคุณอ่านคำเพืตอตรอเนี่ยว่าฉันนี่น่นจะต้องทําผิดเนี่ยก่อนมากี่ปีก็หมดสี่สิบปีอ่าแสดงให้เห็นว่าฉะนั้นนบีมูซากับนบีอาดามเตือนตรงนี้ว่า ที่เขาคุยกันเพื่อให้เรารู้ว่าว่าวันนี้เขาผิดพลาดอะไรเมื่อผิดพลาดแล้วเขาจะไม่ตําหนิซึ่งกันและกันเพื่อเรื่องมีแค่นี้เองนะครับเอ้าต่อมาครับอายาที่หนึ่งอี่สิบสาัวงว่าคนจะเป็นคนดีเนี่ยนะต้องอะไรนะเมื่อผิดแล้วต้องอะไรเตาบาตัวเตาบาตัวให้ทําไงให้เสียใจแล้วก็ถอนตัวออกจากความผิด แล้วก็ไม่หันกลับไปทำความผิดข้อที่สามแล้วก็มานามาศีเราก็อาดหรือสองเราก็อาดแล้วเลือกควบคนดีๆแทนคนชั่วนะครับต่อมาอายะที่หนึ่ี่สิบากอละบิวตอมินฮาจามีอาบางดุกุมลิบางดินอาดู ไฟ่หมาใหญ่ที่อนัก م ِ ن มินนีฮุด ف َ م َมนิَต์ตัَ้ฮุดาเ ي َ فلا يضل َ ولا َ يشقى قَالَ ب ِ ط َ ا م ِ ن ْ ه َ ا ج َ م ِ ي ع ا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ฟาอิมมายาติอันน <walker> ักุมิน <shirts easy. S 2> <All S 1> ีฮูดาฟามานิตต์บะฮูดายาฟาลายาดิลวะลาญชกาอัลัมดุลิลพ <expectations> ี่ป้องอ่านให้เข้าใจสักนิดแล้วก็ท่องอายานี้นะฮําดูลิลลพวกเราไม่ตกนรกเนี่ยอายานี้ให้เข้าใจก็ดีเลเอาดูกาแปลก็ล่ะ อัลลอฮฺตรัดกับนบีอาดัมนะกลับว่าไงนะอีบีตนี่เป็นโทพุตนะจงออกไปจากที่นี่มินฮาจากสวนสวรรค์จงออกไปจากที่นี่นาานออ ท, นทั้งสองคนเอาสองคนเนี่ยใครใครใครบางคนอธิบายอย่างนี้อาดัมกับฮวาแต่อุลามาอีกท่านหนึ่งอธิบายดีนะ อิบลิสกับอาดั ม, มฉะนั้นโอ้ต้องอ่านทับศีลด้วยนะใ ห, ให้ให้อิบลิสกับอาดัมนี่ออกไปจากสวน ส, วนสวนสวรรค์แต่บา ง, บ ท, ท, างทับศีตอธงต่างแว่าไงนะอาดัมกับฮาวาอ่าดูต่อมาจะมีอันออกไปทั้งหมดอ่าแ ส, สดงว่าไม่ใช่สองสิบศีตทั้งหมดหมายถึงอิบลิสด้วยฮาวาด้วยอา ด, ดัมด้วยรวมทั้งหมดเนี่ย ออกไปจากสวนสวรรค์แล้วออกมาแล้วเป็นยังไงบ่าวดูกุม้มหรือบดินอาดูโอลโลตรงนี้ต่างหาที่เป็นปัญหาวันนี้นะครับบางคนในหมู่สูเจ้าบ่าวดูกุมเท่ากับางคนในหมูสมาานนหม่สูเจ้าหรือบ้าดินต่ออีกบางคนอาดูวุนเป็นศัตรูอา้าวอธิบายยังไง เขาอธิบายอย่างนี้ไม่ใช่มนุษย์กับมนุษย์เป็นเป็นเป็นศัตรูกันนะอธิบายว่าชัยตอนกับอาดัมเป็นศัตรูกันเพื่อไม่ให้ด่าพี่น้องมุสลิมกันเองให้แล้วนะให้ชัยตอนอิบลิสเนี่ยเป็นศัตรูกับใครนะกับกับมนุษย์อ่ำหัมดุลิเรื่อยๆจะนั้นใครที่เชื่อชัยตอนนะก็จะเป็นจะด่ากับคนนั้นจะทะเลาะกับคนนี้ตลอดเวลาแต่ถ้าหากว่า ไม่เชื่อไซต์ตอนถ้าไม่เชื่อไซต์ตอนก็เราก็จะอยู่แบบมีความสงบเอาสามีภรรยาก็แล้วกันอยู่ด้วยกันต้องให้อภัยกันไหมล่ะอยู่ด้วยกันต้องให้อภัยกันอยู่ด้วยการต้องดูแลกันแล้วก็ถ้าโกรธต้องไงต้องมองข้ามความโกรธนักขุนะอันสั่งอย่างนี้นะ่วะว่าอินตาฟูดีสามีภรรยานะว่าอินเตาฟูว่าตอสฟาูว่าตอสฟีรูสามรายการ สามีภรรยาอยู่ด้วยกันต้องนึกสามรายการแต่หางท่านทั้งหลายตะฟูให้อาภายัยวตัตส์ฟะาหูมองข้ามวะตักเฟ ร, รูแล้วก็อะไรยมยอมกันบ้างะนะสามรายการทาไมอัลลอฮ์พูดย้ำไปย้ำมาสามครั้งสาเหตุเป็นอย่างนี้อายานิลงมาลงมาแบบนี้ อ, อ่สัฮบบ า, าบะฮ์นบีจากนครมักกะไปนครบดีนะ เห็นนบีอพยพไปก็อยากจะไปก็หลายคนตามนบีไปหลายคนก็ไปทางครอบครัวเลยแต่มีอยู่ครอบครัวหนึ่งสามีอยากจะไปแต่ภรรยากับลูกห้ามไว้พ่ออย่าเพิ่งไปเลยอยู่ไปก่อนเห็นไหยภรรยาห้ามใครห้ามลูกก็เลยไม่ได้ไปสองปีสามปีพอตอนหลังก็อพยพตามไปทีหลัง ปรากฏว่าไอคนที่ไปก่อนหน้านาบีนั่นพอไปพบหน้านี่ความรู้เพิ่มขึ้นอักรากดีขึ้นนิสัยดีขึ้นอโลพูดจาไม่เหมือนเก่าแล้วสมัยก่อนพูด ด, งดังๆละชีมายชีมือแต่ตอนนี้ไม่ละเปลี่ยนแปลงหมดเลยเพราะอยู่กับนบีฟังของดีๆจากท่านนาบีเลยเปลี่ย น, ปยนแปลงตัวเองมองดูตัวเองเนี่ยด้อยก็เลยด่าเมีย เองนี่แหละเป็นเหตุทําให้ฉันเนี่ยแย่กว่าเกา่าถ้าฉันมาพร้อมกับกลุ่มนี้นะอู้ปานี่ความรู้ของฉันเพิ่มอิมานเพิ่มกันนานไหนเพราะเธอนี่แหละตัวแสบกระดาลูกด้วยดาเมียด้วยอลัลลอฮฺประทานอันกูอ่านลงมาว่าอินตะฟูวะตัสฟะฮูวะตักฟิรูยายาย า, อ ย, าอย่าไปทะเลาะ ก, กับเมียเลยอย่าไปทะเลาะ ก, กับลูกเลยเห็นอย่างครับ นี่มุหมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์เป็นห่วงขนาดไหนขนาดจะทะเลาะกับภรรยาอัลลอฮ์สั่งนะอย่าอย่ายยยให้อภัยไปเถิดของที่ผ่านมาแล้วก็แล้วกันดีไหมอย่างเงี้ยนี่ถ้าจะฟังคุณอ่านเยอะๆอัลฮ์หมดุแล้วด้วยงนนนานอับดุบิอาดัมถูกเชิญลงมาจากสวนสวรรค์พร้อมกับฮาวะพร้อมกับไซต์ตอนด้วยนะออกมาโดยกันอิบลิสนะอิบลิสเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นหัวหน้าส่วนไซต์ตอนนะเป็นลูกน้องนะเรียกว่าอิบลิสไซตตอนนะครับ บาดูกุมลีบาดินอาดูบางคนของในหมู่สูเจ้าเป็นศัตรูกับบางคนใช่ไหมทะเลาะกันวันนี้นะอิทธิพลมาจากไซตอนทั้งหมดเลยใช่ไหมต่อมาครับฟาอิมมายะติยานาคุมินีฮูดาดังนั้นฟาแปลว่าดังนั้นอิมมาแปลว่าถ้านะ ถ้ายะตียันนากุมมิ น, นีฮูดาฮูดาเป็ว่าทางรมนำนะครับถ้าหากว่าทางนำถ้าข้างวัฒนธรรมนำนี่มาแหล่งเดียวนั่นแหล่งไหนวะฮีจากไหนจากชันฟ้านี่มีอยู่ทางเดียวไม่ใช่มาจากอเมริกาหยุโรปจีนไม่ใช่นะมาจากไหนทางนำนี่มาจากฟางฟ้าเป็นวะฮีถ้าหากว่าวะฮีมีคําแนะนาําวะฮี มินนีจากฉันนี่อัลลอฮ์เล่าเองนะมินนีจากฉันยะติยันนะกุมมาอะไรนะมาถึงพวกท่านอัลลอฮฺบัดถ้าหากว่าคำแนะนำของฉันที่เป็นวาฮีมายังสู่เจ้าแล้วหมายถึงความรู้ที่ผ่านทางนาเป็นวาฮีที่มาจากอัลลอฮฺ อยู่ในคัมภีร์เล่มใดก็ตามเป็นเตารอบรบ้างกุรอานบ้างซาบูตบ้างอินจีนบ้างเป็นความรู้พี่น้องที่มาจากอัลลอฮฺผ่านนาบีผ่านยิบรีนมหานาบีเนี่ยนะนั่นแหละเป็นทางนําที่ถูกต้องที่มาจากปู่ย่าตาญานะไม่ใช่ทางนําที่ถูกต้องนะไม่ใช่นะยังเฝ้าเฝ้าเฝ้ากูโบเลยทางนำไหมคนตาต้องเฝ้ากูโบสี่สีวันสิบวันในทางนําหรือเปล่าไม่ใช่ทางนํา เป็นของปู่ย่าตายาที่ปฏิบัติกันมาเป็นสิบสิบปีสามสิบปีกว่าจะเลิกได้นานนะของเทตนาดีทำโยรีแลใช้มีงตัวผู้จัดการไปก่อนที่จะรอชื่อื่นยังไม่หมดนะใครลงไปพูดสิอย่าเฝ้ากูโบน ะ, ะ, ะ, ะ, ะนี่คณะหนุนคณะ น, ณะนีตามมาเลยท่านต้องอดทนจะเอาของดีต้องของดีที่มาจากอัลลอฮ์ผ่านยิบรีลมาปฏิบัติถึงจะมีบัลักกับชีวิตเข้าใจนะ ถ้าไม่ใช่พันวะฮีพี่น้องอยากมาเลยบรรกัศก็ไม่มีเหนื่อยด้วยเสียสตังด้วยนะครับเอาต่อมาครับฟ่อมิมายะติยันากุมินีหูดาดังนั้นถ้ามีคำแนะนำามาถึงวะฮีจากฉันมาอย่างสู่เจ้าฟา ม, มานิตตะบาหูได้แล้วผู้ใด อิตตบะอแปลว่าปฏิบัติตามฮุดายะคำแนะนำของฉันหมายถึงวาฮีของฉันที่ผ่านมาผ่านนบีมาผ่านยิบรีนมาให้นี่นะใครที่ยึดเอาวาฮีของฉันคำสอนของฉันคำแนะนำของฉันไปปฏิบัติแล้วเป็นไงครับฟะละยาบิลูลอัลลยาสกอดังนั้นเขาจะบัลละยาดิลูหลงเขาไม่หลง เห็นไหมยึดวาฮีจากอัลลอฮ์เป็นทางนำาลายอดินลู่เขาไม่ลงกระจายไหมนี่ดีไหมอัลฮัมยุลิลละอัลลอฮ์ผมไปบรรยายที่ไรเหมือนั้นเจอผู้ใหญ่คนหนึ่งเขาบอกขอบคุณอัลลอฮ์มากเลยอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วเพิ่งอ่านอุรอ่านรู้ความหมายตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ย ตั้งแต่อายุสิห้าขวบมาถึงเจ็ดสบเนี่ยอ่านกูรอรานฟังเสียงอย่างเดียววันนี้อะไรทำเนริเลยหลังจากมีอุลมามะแ น, นะนำว่าอ่านกูรอรานรู้ความหมายบ้างไม่ได้เลยก็ดูความหมายเนีพอดูแล้วอัลอลอฮฺรู้ตัวเองทําผิดเยอะเลยเห็นไหมท่านพี่น้องกบวันนี้อ่านกูรอรานขอให้รู้ความหมายบ้างนี่อาย่านี้เนี่ยฟาฮานิ บหูแล้วผู้ใดที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของฉันคำว่าีของฉันซึ่งเป็นหูดาเป็นทางนำเป็นยังไงครับแ ล, ล้วยอดินลูเขาจะไม่หลมทางเวะลายากและเขาจะไม่ตกยากหรือเสียเศร้าโศกเสียใจตัชกอเนี่ยลำบากเห็นไหมอัลฮัมดุลิลแล แค่นั้นมีคนที่จะรอดอยู่บนดุลยานี้นบีก่อนจะตายนาบีพูดว่างไง ร, รู้ไหมแ ต, ต่รับตัฉันได้ทิ้งเอาไวา้ได้ละเอาไวา้ใช้ไอาา้นี่สองสิ่งอินตะมัสซับตุมบิบบีมาท่านยึดสองสิ่งนี้ให้แน่นนะท่านจะไม่หลงทางคือยึดกิตาบุญละและสุนนะของท่านนาบีนี่คุณอ่านอธิบายชัดเลยถ้ายึดทางนำจะเลือว่าสุนนะของท่านนาบีอัลลอฮ์รับรองนะ น บ, บนีอัลลอฮ์รับรองหมดเลยนะและน บ, บียี่สิบามปีของการเป็นน บ, บีไม่เคยพูดด้วยอารมณ์อายาตตรงไหนครับลายม์ทกูอานิลฮาว่าอินหัวอิลาวะฮยูยูฮาที่น บ, บีพูดแต่ละคำแต่ละคำที่ออกมาจากปากนั้นไม่มีคำพูดออกมาจากอารมณ์ตัวเองไม่มีทั้งบทเป็นอัลแวฮยูเป็นวาฮีเป็นทางนำหมดเลยอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ย ไ, ไงยึดสุนนะท่านน บ, บี น บ, บีกินข้าวแบบไหนนั่งแบบไหนทําตามนบีให้หมดดื่มน้ํำยังไงทําตามนบีเข้าห้องน้าําทําตามนาบีนอ น, น, อนทําตามนาบีอาขอพูดถึงนอนเนิดหนึ่งก่อนนอนเนี่ยทำไงแปรงอะไรแปรงฟันแล้วก็อาบน้ําน้ำมานแล้วก็ตาปัดที่นอนแล้วก็ดึงที่นอนให้ตึงอย่าเป็นไส้หมูดึงให้มันตึงแล้วก็ก่อนจะนอนทําไงยกมือขึ้นเป่า แล้วก็อ่านสามกุญแแล้วก็ลูปทั้งตัวนี่ซุนานาบีแล้วบอกโต๊ะโเราด้วยแก่แที่อยู่ที่บ้านมื่ที่ลืมลืมซุนานาบีตอนเข้าห้องน้ำอะ่ะเข้าห้องน้ำตามซุนานาบีเท้าไหนเท้าวขวาแล้วอ่านว่าไงอัลลอฮุมะอินนีอูซูบิกะมินัลคุบุสีวลขบะอีสีคุ้มครองหมดเลย แต่ถ้าไม่อ่านดวงอาบบทนี้ตอนเข้าโอกาสที่จะล้มในห้องน้ําสูงมากพอล้มเป็นไงครับตายกับตายทางว่าตายในห้องน้ำกว่าตายข้างนอกไหนดีกว่ากัน <c oughs> มันต้องตายในท่าสุญูดมันต้องตายในท่าคลองเอีร้อมต้องตายขณะอ่านอัลกุรอาน آن, ต้องตายขณะที่กล่าวว่าเลอีลาฮออิลลอรมันต้องตายสภาพนี้และตายในห้องน้ํา เราจะเป็นเล่าไปใครฟังตรงไหนอ่ะรู้ไหมคนที่ตายในห้องนา้าหัวหน้ากอติยาณีชื่อวุลามอาห์มาต์ตายในห้องนา้าอ่ะอัลลอฮฺเป็นอนะ้องครับนาอูซุบิลละเห็นอย่างครับฉะนั้นเราต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺตลอดเวลายึดสุนนะของท่านนาบีแล้วก็ยึดอัลกุรอานละตัดิลลูอัลลาตัชยัชคอเขาจะไม่หลงและจะไม่ตกยากเศร้าโศกเสียใจยจะไม่มีนะครับ เอาต่อมาครับไซตตอนกับมนุษย์นี่นะจะเป็นศัตรูกันนะไซตตอนกับมนุษย์จะเป็นศัตรูกันอย่าคบไซตตอนเป็นเพื่อนนะนี่ไอเจ้าพ่อเจ้าแม่เนี่ยกับมันการเป็นชซต์ตอนทั้งหมดนะเจ้าที่เจ้าที่เ <c oughs> จ้าที่เนี่ยไซต์ตอนนะเอาลอรบ้านเราวันนี้ก็ยังมีเจ้าที่น ะ, ะมีข้าราชการมีครูมาเนี่ย สมาหาตัวอิหมัมพมบอเป็นเจ้าที่ผู้อัสตัฟเรุลล์มองเป็นเจ้าที่มันคุ้มครองได้เหมือนกันนะแต่ถ้าที่มองลึกอีกมียินมีไชตอนมีผีอยู่แถบนี้ก็ต้องมาเส้นกันอีกขก้างๆเนี่ยนั่นอิสลามห้ามแต่มาพบการุหลักปุยายก็อีเรื่องหนึ่งนะคุมครองไอ่ป่าป่าปเรื่องไม่ดีไม่งามให้ป่าป่าคนไว้บอกลูกน้องไอยอย่าเกะกะนั ก, นกอันนี้ได้ไม่มีปัญหาแต่ไปหาผีไชตอนเอาอาหารมาวางเอาน้ํามาวา ง, เอ า, าวางเอาส้มมาวาง นั่นอิสลามห้ามเด็ดขาดไม่ให้ทำนะครับเอาต่อมาอายะห์ที่124ว่มันอัลลออัลกิกรีฟาอินนัลลัฮฺมายชะต์บังกะวานัชซรุหูยามลกิยมิอลมาอัลลออักบรกลัว ว man أ ع ر َ عن ذكري فإن له معيشة َ ن ك ن م, م ن ك ونحشره يوم القيامة أعمى อัลลอฮฺดูคำแปลมันแปลว่าผู้ใดอารบบแปลว่าหันหลังหรือหันหา ใครก็ตามถ้าหันหลังหรือหันหัห่างมาถึงไม่สนใจไม่เอาแล้วปฏิเสธเลยอ้าวราบอ อ, อ, อันแต่กุรานพูดเพราะนะใครก็ตามที่หันห่างหันหลังไม่สนใจไม่เอาอันซิครีจากการดำลึกถึงฉันหมายถึงอัลลอฮ์ใครที่ไม่เอาอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งใครไม่เอาอัลกุรานเป็นทางนำใครไม่เอาสุนนะนบีเป็นทางนํา ใครไม่เอาสวาบานบีเป็นทางนาสำหรับชีวิตอธิบายเดียวหมดเลยรำลึกถึงอัลลอห์เนี่ยเนินเช้าเช้าต้องนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮุมะบีกัอัสบานาวะบกอมซต้องนึกถึงอัลลอ์ตอนเช้าเช้านะแล้วก็อย่านอนนั่นดีรำลึกถึงอัลลอ์นเนี่ยจะทำอะไรนึกถึงคำสั่งของอัลลอฮ์เอาใจากับข้าวของน้ำเอาคำสั่งอัลลอ์ว่ายังไงคำสั่งนะบีว่าไง จะขึ้นรถอ่าคำสั่งนบีว่าไงสุภานัรดีซร์คารลนฮดาวะมุณนละูมุกรนีนพอเข้าบ้านอะไระให้สลามอัสลามอะกุมบรหมะตุลลอซุนนะนบีทั้งหมดนี่ใครที่หันหลังให้กับคำสั่งของอัลลอ์หรือคำสสั่งของซุนานะานบีหรือคำสั่งของบรรดาซอฮาบานนบีเป็นยังไงครับ ไฟอิ น, นาลาหูหมายชะตัมบงกาดังนั้นลาหูสําหรับเขาคนนั้นหมายชะแปลว่าการมีชีวิตหมายชะการใช้ชีวิตของเขาบงกาแปลว่าขับแคบขับแคบอธิบายยังไงคําว่าขับแคบเป็นอย่างนี้คําว่าขับแคบเป็นหมามาจะไงรู้ไหม คนกาเฟตบนโลกดุนยาเบนี้เงินทองเยอะกว่าคนมุสลิมใช่ไหมตําแหน่งการงานเยอะใช่ไหมเป็นนั่นเป็นนี่เต็ไมไปหมดเลยนะมุสลิมนั่งมองอย่างเดียวอรอข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์เขาไม่เลือกอยู่แล้วอาไว้หละเอาหละถามว่าคนรวยๆที่มีฐานะการเงินพุมอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยศาสนาภาษาข่าวตอนเช้าเนี่ยมันฆ่ากันจังเลยนะ มีเงินธุรก like like ิจหมุนเวียนเป็นร้อยๆยล้านพันล้านค่าเมียค่าลูกค่าตัวเองเพราะอะไรครับบองกาขับแคบหาทางออกไม่ได้เวลามีปัญหาหาทางออกไม่ได้ทางออกด้วยการฆ่ากันให้ตายทางออกด้วยการด่ากันทางออกด้วยการคัมเมนกันอิจฉาดิษยาทํำลายกันนี่ขับแคบทั้งหมดครับเห็นไหมพี่น้องเห็นหรือยังครับ เนี่ยทำไมรถไฟมันมีอุกังใช่ไหมน่ะผู้หญิงอัลลอฮฺพอัาทขมขืนแล้วก็โยนหน้าต่างนี่ไงทำไมไม่นิกานถูกต้องพี่น้องทางออกมีไหมมีแต่ว่าในเมื่อทิ้งอัลกุรอานทิ้งสุนนนบีทิ้งทางนำดีๆที่อัลลอให้เนี่ยก็เลือกทางเองพอเลือกเองเป็นไงครับมาอีชาตามัมลองกาชีวิตการเป็นอยู่ของเขามีแต่ปัญหาปัญหาปัญหาปัญหาปัญหา นี่ไงอกุรอานสอนฉะนั้นเราเนี่ยความรู้น้อยถึงจะจบอะไรก็เชิญเถอะแต่ความรู้เรื่องจะกลับไปหาอัลลอ์อยู่บนดุญยานี้ให้สง่างามต้องอยู cioè, ่ตามอัลกุรอานและอยู่ตามที่ท่านนบีแนะนำเอาไว้ต่อมาครับอินนละหูมาอิชตัมดอมกาการเป็นอยู่ของเขาเป็นไงนะ ครับแคบ อ, อ้วาวอีความหมายหนึ่งชีวิตในกูโบอาคำว่าลองกาเนี่ยชีวิตในกูโบตตอนนอนอยู่ในโ ส, สานนั้นคนไม่เอาศาสนาอัลลอฮ์จะให้แผ่นดินเนี่ยประสานกันอย่างนี้บีบและสิโครงเป็นอย่างนี้อ้ไม่เชื่อลองตายดูจะประสานกันอย่างนี้เลยนะและว้วโวยวายใครรู้บ้างอ่ะอยู่ข้างล่างคนเดียวอ่ะ นี่อัลลอฮ์เตือนแล้วนะใครที่ไม่เอาศาสนาคันที่ดูถูกอุลแอนดูถูกสุนนะนบีคําสอนที่มาจากอัลลอฮ์ละระซูลดูถูกชีวิตบนดุนยาเห็นยังานคนกาเฟ่แม้แต่มุสลิมเองวันนี้ไม่เอาสุนนะนบีมาใชา้มึงที่ลืมอะลืมอัลลอฮ์ลืมคําสั่งตัวนี้ตัวเองพลาดไปแล้วปัญหามันตามมาอันที่สองชีวิตในอลัลลมบรรัตจาในกูโบหมายชะตามต้องกะ ชีวิตการเป็นอยู่ของเขาขับแคบทุกทรมานในตับเซนอธิบายอย่างนี้นะครับบอกว่า อ, อันอบิฮุรารระรดิย ล, ล, ะละฮ์งฮานฟาอินนาละฮูมาอิชะตันลองกาชีวิตที่ขับแคบในในสุสานอธิบายอย่างนี้อัลลอจะส่งงูอยูลล่สันริตรอะไรฮิติสอาตุนวติสอุนฮะฮยะจะส่งงูมาเก้าสิบเก้าตัว สิฟัตอตลอดมีเท่าไหร่นะ99งูก็99จำง่ายหน่อยถ้าสงสัยมือมือซ้ายมือขวานี่มีเลข18 1กับ8นี่ไงหนกับ8มือซ้าย8กับ1บวกกันเป็น99เลขอยู่ในมืออยู่แล้วไม่ใช่หมอดูมือขวา18มือซ้าย81บวกกันเป็น สิบิ์ฝของกายสิทิ์ฝาของอัลลอฮ์แล้วก็เป็นลักษณะงูในกูโบอีก99บตัวงูในกูโบมาทำอะไรครับยันหาชูนะมากัดมากัดนะอัลลอ์ที่ไหนลัก ม, มาหูทิ่เนื้อของเขากัดกี่วันหัดจาตะกูมาซาจนกับวันกิยามาจะมามกี่วัน Allah. อัลลอฮ์เห็นยังครับนี่อ่านฮะดิษอ่านความรู้ผ่านนบีผ่านอัลลอฮ์เล่าให้ฟังเรื่องจริงทั้งหมดไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นคนที่หันหลังให้กับอัลกุรอานหันหลังให้กับอิสลามหันหลังให้กับสุนนนบียึดคําสอนของโต๊ะของแชร์ของคนในหมู่บ้านมาปฏิบัตินึกว่าเป็นศาสนาแล้วเป็นไงครับนี่เงยันฮัชูน่ะหลัมาฮูอัลลอฮ์จะส่งงูมาเ9ตัวมาฟัดฟัดดีไหม มาป้ามกันในกรุงูโบกัดดีกว่ากัดดีกว่านะกัดเนื้อของเขาจุงกว่าจุ่งวันเกียรมะเอามาอาั้ยย้อ๊อๆรอักษานี่สองโลกแล้วนะดุลยาก็่าไม่ผ่านใช่เลยไม่ใช่มีประหานิดนหนึ่งฆ่ากันตายคนที่ฆ่าตัวเองตายฆ่าภรรยาฆ่าลูกตายนึกว่าตัวเองรอดแล้วมันไม่รอดนะ่ะตายแล้วเจอคดีดะกูโบอีกอ่ะเอาฟื้นมาในวันกียรมะอ่ะดูกุรานต่อไปพอฟื้นมาเป็นยังไงครับ ว man أ ر ض َ عن ذكره فإن له م ِ يشتمضك เราจะให้การมีชีวิตของเขานั้นคับแคบเพื่อเป็นทุกข์มาดูวันกิยามะวันนัูรุและเราจะชุมนุมเขาให้เขามาชุมนุมกันยาวมาลกิยามะในวันกิยามะ อามาตาอะไรตาบอดอธิบายอย่างนี้คนนี่จะต้องตายกันหมดนะพอตายหมดแล้วต้องฟืน้นไม่มีใครตายแล้วไม่ฟืน้นไม่มีตายเท่าไหร่ฟื้นเท่านั้นพอฟื้นจากกูโบปับ๊บตาบอดเลยฟื้นจากกูโบเนี่ย คนที่ไม่เอาศาสนาคนกาเฟ่คนปฏิเสธอิสลามปฏิเสธกุรานปฏิเสธสุนนะดาสวสัฮ า, าบานบีเกิดขึ้นมานากูโบน่าพฟื้นกูโบขึ้นโโมาเห็นแป๊บเดียว e ตาบอดนั่นภาพของคนที่หันหลังให้กับศาสนาชเชื่อกุรานผมเชื่อเลยผมเชื่อเลยว่ากุรานมันเรื่องจริงทั้งหมดทีนี้ตัฟิสออธิบายดีนะออก จากสุาสานเนี่ยนะออกจากสุาสานเนี่ยเดินไปทุ่งมัชัดกี่วันจะถึงไม่รู้ตาบอดตลอดแต่มันมีเสียงมาอะไรากัน่ะมาทางนี้อันนี้ก็ตาบอดเดินตามเสียงอย่างเดียวตลางกลางคำเรียรคำเรียกดิสเว่ดิสเว่ก็เดินตามเสียงอย่างเดียวใช่ไหมเพราะว่าตามองไม่เห็นน่ะ เห็นอย่างครับในงานสภาพของคนที่ไม่เอ า, าศาสนาคนที่ดูถูกอิสลามดูถูกกุรานดูถูกสุนนนาบีดาอวลฮุบบานนบีปรสภาพนี้แหละฟื้นขึ้นมาจากหลุมฝังมาตาบอดแล้วก็เดินไปถึงทุ่งมาชัดก็ตาบอดกี่วันกี่เดือนกี่ปีกว่าจะถึงเราไม่รู้แต่ตาบอดไปตลอดทีนี้เป็นไงครับพอไปถึงทุ่งมาชัดอัลลอห์ให้ตาเห็น หรือไม่เห็นอะไรครับเห็นนรกมาแล้วมิสเตอร์นรกมาแล้วอันนาลมาแล้วเห็นเลยน้ําผุ ด, ผ, ดผุดขึ้นเห็นการทรมานในนรกเห็นภาพโกลาหนต่างๆที่ทุกขมาชัดเต็มไปหมดอตาบอดนะ่ะมันดีอยู่แล้วจะมามาดองเห็นเพราะว่าเห็นปั๊บหนักกว่าเก่าอีกดูตาบอดดีกว่าอย่างนี้เห็นความโกหกหนทะเลาะกันอะไรกนเต็มไปหมดเลยอ่ะ เห็นคนที <voice> ่โกงที่แบกที่มาเจ็ดนั่นอะไรน่ะเจ็ดชั้นฟ้าเนี่ยเห็นคนแบกแพะแม่บาวัวมาแบกแมงแบแบกไกมาแบบมาม่วงมาเฮ้ยนแบกมาทาไมก็อ่าบนดุนยาเองรักของไว้เต็มหมดเลยนี่นี่นบางคนก็เป็นง่อยไปข้างหนึ่งมีเมียสองคนรักเมียคนนี้มากกว่าคนนี้ระวังให้ดีคนมีเมียเยอะเยอะเอาล็อทดสอบหมดน่ะ พอเห็นปั๊บโอนล้นอะไรกันโลกอาคิร้อนนี่มันวุ่นวายด้วยขนาด น, นี้แหละแต่มุมเมนไมาใช่อย่างงั้นโมเมนพอฟื้นขึ้นมาตาไม่บอดเดินประตูมาชัดก็เดิ น, าาน เ, ดเดินแบบสบายๆไปกินอาหารเช้าที่ใต้บัลังอัลลอฮ์กินอาหารกลางวันลนช์ที่ไหนในสวนสวรรค์เป็นเนื้อปิ้งเนื้อทดอดอัลฮัมดุลิเลาเนื้อนก เอาใครอยากไปสวรรค์ยึดอัลกุรอานยึดตุนนะของท่านนาบีให้ดีนะยึดสัฮาบานนบีนเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเอาต่อมาครับตกลงว่านี่ภาพวันกิยามัดอัลลอฮ์ให้เห็นนะอัลลอฮฺอักบัดอินน่าละหูมาอิศตันดังกะวันนะชูรุหูยาวมันกิยามะติอามาตาบอดครับ และมาตาดีตอนไหนตอนไปอยู่ในทุ่ง ม, มาชตดอัลลอฮ์ให้ตายเห็นเห็นภาพโกลหนความวุ่นวายในทุ่ง ม, มาชัชตดเอาต่อมาครับอายาที่หนึอยยี่สิกอลาร บ, บีลิมาฮชารตานีอามาวก็เด็กุนตุบัีรออัลลอฮฺอักบัร ก ا ل ربي لِمَ ح มาَตน ت َ ن า ي أ َก็ م َ ى وَقَدْ ك ُ ن ْคนตาบอดกล่าวถามอัลลอ์ถามผู้อภิบาลยะ ر บีข้าแต่ผู้อภิบาลของฉันเอ๋ยลิมัช하셨ตานีอามาชไหนพระองค์จึงทำให้ฉันฟื้นคืนชีพมาเป็นคนตาบอดเล่า ข้าชันตาบอดทำไมหน้าตกอา้าวมียังไม่น่ามาถามอีกนะอา้าวให้ฉันเกิดมาในสภาพคนตาบอดทำไมว่าก็ดกุลตูบาซีรอทั้งทั้งที่ฉันเนี่ยนะเคยเป็นคนมองเห็นมาก่อนบนโลกดุนยา อัลลอฮ์แค่นอนอยู่ในกุโบตื่นขึ้นมานตาบอลบอดทำใหมอัลลอฮ์จ่าแม่โว่ยังมีหน้ามาถามอีกน ะ, สะแสดงว่าที่ออกห่างาศาสนาไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอสูนไม่เอาซ า, าบ้านนบีเป็นแบบนั้นนะผิดอย่างมหันเลยนะไม่รู้สึกตัวละครดิมาแทนหนังเอ็กมาแทนเล่ามาแทนเบียร์มาแทนโรงหนังโรงละครแถบนี้แทน แล้วเป็นไงครับถูกลงโทษแต่ Allah อลโลกยังมาผมเคยถามนักเรียนเมื่อสิบปีที่แล้วสัมภาษณ์นักเรียนบอว่าที่มาสมัครเรียนหนังสือที่นี่นะ่ะสุราเวยแถวนี้มีอยู่กับมสัสยิดผมไม่คาบไม่ทราบครับมสัสยิดแถบนี้มีเท่าไหร่ไม่ทราบมีบารห้าแห่งครับอัลลอฮ์บารนะ่ะมันรู้แต่มสัสยิดไม่รู้อัลลอฮ์เด็กมุสลิมนะ่ะ เห็นยังรครับยางงี้นะ่ะโอกาสที่จะไปสวรรค์คงจะน้อยเหมือนกันนะฮอลล์บารู้ตรงนี้บานนี่บานี่บานี่นไนทคับรู้หมดเลยแต่มัสยิดแถวนี้ไม่รู้ไม่เคยไปแต่บาเข้าประจำอา้าวคิดดูให้ดีก็แล้วกันนะร็อบบีลีมาฮาชาตานีอามาคนตาบอดกล่าวว่าข้าแต่ผู้อับบานของฉันเอ๋ยลีมาฮาชาตานีอามาชันไหนพระองค์ ยังทรงทําให้ฉันฟื้นขึ้นมาในสภาพค้นตาบอดว่าก็ดกุนตูบาซีรอทั้งทั้งที่ฉันนี่เคยมองเห็นมาก่อนเมื่ออยู่บนโลกดุนยาอาลัลลอ์ยังกล้าถาม อ, า อ, อัลลอฮ์เงนะนี่อลัลลอ์เล่าว่าพวกเรานี่กล้าหน้าดูเลยนะถามอาลัลลอฮ์ตาบอดทำไมอ้าวคำตอบล้อว่าไงออละกาดาลิกะอัตกายาตุนา ฟานัสิตะฮะวกะซาลิกะลยามะตุนซาอัลลอฮอัลลอฮตอบแสบจริงจริแสบมากพี่น้องจำเลยนะกอเลกาลิกะอะตัดกายะตุนาฟานัสีตะฮะวกะซาลิกะลยามะตุนซาพระองค์ตัดว่าพระองค์ตอบว่า ก็เป็นในทำนองเดียวกันนั่นแหละกะด า, าลิกดีแปลว่าก็เป็นทำนองเดียวกันนั่นแหละอตัชกอาอาตุนาเมื่อองค์การทั้งหลายของเราได้มาถึงตอนอยู่บนโลกดุนยาใบนี้ก่อนที่คุณจะตายนะ่ะ เราได้ประทานอะไรนะองค์การสัญญาณอัลกุอ ร, บบรอานซาบูตอร์อินจินส่งนบุงนบีมาเยอะแยะไปหมดฉันส่งมาให้ได้มาถึงพวกท่านแล้วแต่สูเจ้าฟานาซีตะฮาทำอะไรลืมอัลลอฮ์พูดลืมแต่ตับซีอธิบายได้มเขาบิมานาอติรอด เขาตั้งใจทิ้งมาเลยไม่ใช่ลืมแต่กุร์านพูดเบาคุณลืมคุณไม่สนใจคุณหันหลังให้ใช่ไหมแต่ตัฟซีอธิบายนะคุณตั้งใจโยนทิ้งเลยไม่เอาเลยไม่เคยเรียนซุนนะนบีไม่เคยเรียนกูนร์รานนี่เป็นน้องมุสลิมเราเยอะนะอ่นอานกูร์านไม่จบเล่มตายมีไหมเยอะนะอยู่ยังไงพป่น้อง ไม่เคยรู้จักคําว่าซุนน่านบีไม่เคยรู้จักเลยอ่ะเพราะว่าซุนน่าจะยึดคณะใหม่คณะใหม่คณะใหม่คณะใหม่คําว่าซุนน่านะใครเป็นคนตั้งนาบีเป็นคนตั้งเองอะไลกุมบิซุนนาตีท่าน ท, าทั้งหลายจงยึดสุ น, นักของฉันนบีตั้งทั้งนี่ไปดาซุนน่าดาซุนน่าดาใครดานาบีเป็นน้องเสียดายนะเสียใจนะอา้าวกาดาลิกะในทํานองเดียวกันนะั่นแหละอัตัจกาอาญตุนะ เราเนี่ยได้ประธานองค์การของเราเนี่ยผ่านท่านมาถึงท่านแล้วนี่ออกทีวีให้ดูด้วยเปลี่ยนช่องคนสอนศาสนานี่แก่ๆ ก, กันทั้งนัน้นดูละครดีกว่าสาวด้วยมันด้วยนาอกเปิดโอ้โหหน้าดูมันจริงๆเพลิดอา้าเชิญตามสบายเราไม่บังคับกันอัตัซกาอ า, าตุนาฟนานซีตาหาแล้วก็ท่านไม่สนใจลืมตั้งใจทิ้ง วากาลาลิกาเลววันนี้พวกท่านจึงถูกลืมเหมือนกันคนละทิ้งอ่ะแสดงว่าลละเอาเรื่องนะอ่าคนที่ไม่เอาศาสนาวันนี้อลัลลอฮฺให้ตาบอดฟื้นขึ้นมาในกูโบตาบอดก่อนเดินไปที่ทุ่งมาชัดตามเสียงเหมือนเสียงแพรเสียงลาเสียงกาพอไปถึงทุ่งมาชัดอลัลลอฮฺให้เห็นเห็นความโก ล, ละหุนวุ่นวายของโลกอาคริร เห็นร Allah, นรกอัลลอฮ์เห็นนรกอุนซุบิลละใช่ตอนนี้วะทีส่า ส, ส, สรุปว่ากุรนานอาย่านี้เตือนเราดีนะที่เราไม่เอาศาสนาวันนี้อัลลอฮ์ก็จะลืมท่านในวันอาคิร์จะไม่ได้ครั้งว่าลืมแม้แว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะไม่โปรดปราทจนไม่ประทานรมามะไม่ประทานความดีไม่ประทานรางวัลให้กับคนที่ไม่เอาศาสนาบนโลกุตยะไปนี้นะครับ سبحانك الله ุ م و ب ح م د ك أ إ أ ن أ س ت ف ر ك ب إلىك بسم ا ل عليكما رحمه الله و ب ر ك ا